พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนา ความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราได้พบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนานี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องมาพบมาเจอกันและจะเจอกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้จากทางที่จะพาให้เรา หยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี่เองตายไปแล้วไม่นานหรือนานแล้วแต่ก็จะกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใหม่แต่พอเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกับได้พบทางที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ทางของพุทธเจ้านี้ก็ผู้ที่จะเดินทางผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้เดินทางบนทางที่จะพาไปสู่การ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทางที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ก็มีอยู่สองช่องทางด้วยกันมีทางช่องทางซ้ายกับช่องทางขวาเหมือนกับถนนหนทางที่เขาแบ่งไว้สองช่องให้รถช้าวิ่งช่องซ้ายให้รถเร็ววิ่งช่องขวา การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองระดับสองช่องด้วยกันระดับของขลราชผู้ของเรือนและก็ระดับของนัก บ, บวชผู้สละการของเลือนนัก บ, บวชนี้จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้เร็วเหมือนรถ เร็วที่อยู่ในช่องขวาคารวานี่ปฏิบัติได้ช้าเหมือนกับรถบรรทุกของหนักที่วิ่งเร็วไม่ได้เลยต้องวิ่งอยู่ทางช่องซ้ายนี่คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะมีอยู่สอง ระดับด้วยกันระดับขลรวาทผู้ครองเรือนและระดับนักบวชระดับขลรวาทผู้ครองเรือนนี้ก็จะปฏิบัติทานศีลภาวนาระดับนักบวชก็จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานักบวชนี้ไม่ต้องอปฏิบัติทาน ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเลยส่วนข้ารัวาผู้คลองเรือนอยังต้องปฏิบัติทานทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแต่อาจะไม่มีความเข้มข้นเหมือนกับนักบวชผู้คลองเรือนนี้จะเข้มข้นไปในทางทำบุญทำทาน เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ผู้ที่มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้หรือพอมีแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำบุญทำทานเป็นการหล่อหลอมจิตใจให้เข้าสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นต่อไปผู้คองเรือน พระพุทธเจ้าจึงสอนทานศีลภาวนาให้ทําบุญทําทานอยู่เป็นปกติต่อเนื่องเช่นใส่บาตรทุกวันถ้ามีพระเดินบิญทบาทก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานทุกวันทําบุญทําทานไม่จําเป็นจะต้องมีเป็นเศรษฐีถึงค่อยมาทําบุญทําทานคนยากคนจนก็ทําได้ ถ้าพอมีอะไรแบ่งปันกันได้หุงข้าวทำกับข้าวก็อาจจะแบ่งใส่บาทชุดหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ได้บุญได้ทานพรพุทธเจาถึงสองจึงสอนคาลวาดให้หัดทำบุญทำทานก่อนเพื่อที่จะได้รักษาศีลต่อไปได้ ผู้ที่ทําบุญทําทานก็จะมีจิตที่เมตตากรุณาก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะให้รักษาศีลห้าได้ง่ายผู้ที่ไม่ได้ทําบุญทําทานมักจะเห็นแก่ตัวมักจะโลภมาก มักจะไม่ขนใจกับความาเดือดร้อนเสียหายของผู้อื่นเวลาทำอะไรถ้าต้องการทำอะไรก็อาจจะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายได้เพราะมีความเห็นแก่ตัวมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยทำไปโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ก็เลยไปทำบาปได้ง่ายอยากได้อะไรถ้าต้องได้ด้วยการทำบาปก็ทำบาปก็จะเป็นผู้ที่รักษาศีลได้ยากกว่าผู้ที่ทำบุญทำทานนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พยายามทำบุญทำทานเพื่อให้เกิดความเมตตากรุณาเพื่อที่จะได้ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น พอไม่ชอบไม่คิดเบียดเบียนก็จะรักษาศีนหน้าได้อย่างง่ายดายเพราะการรักษาสีนหน้าก็เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นผู้เป็นครับผู้ที่เป็นค า, ารวะผู้ครองเรือนจึง ทำบุญทำทานกันเป็นหลักแล้วก็รักษาศีลห้ากันเป็นหลักแล้วก็อาจจะมาหัดภาวนาบ้างในบางโอกาสหรือในแต่ละวันถ้ามีเวลาถ้ารู้จักการภาวนาก็ก่อนนอนก็อาจจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบสักระยะหนึ่งแล้วแต่กาลัง ทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ความพยายามอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นการภาวนาแต่เป็นภาวนาเพียงเล็กน้อยเพราะชีวิตของคาลวาาไม่มีเวลาว่างมากพอวันวันหนึ่งไหนจะต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไหนจะต้องดูแลคนนั้นคนนี้ช่วยไหนจะต้องไปหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวบ้างไปดูหนังฟังเพลงบ้างดูละครดูอะไรบ้างเวลาที่จะมาใช้กับการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบก็จะมีน้อยมากอาจจะทำได้ช่วงก่อนนอนอถ้ามีความตั้งใจไว้หัดบังคับ ควบคุมให้หัดทำทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วค่อยเข้านอนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาอีกช่วงหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็าล้างหน้าล้างตาเสร็จก็มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินําลึกถึงคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สรงสอนให้ลำเลิกอยู่เป็นประจำว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญา หรือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้านั่งนั่งดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าการเจริญส ม, มถะภาวนานี่คือการปฏิบัติของผู้ครองเรือนของรถที่วิ่งอยู่ในเลนซ้ายวิ่งได้ไม่มากไม่ได้เร็วเหมือนรถบรรทุกของหนัก ทำได้ก็เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ทําเพราะถ้าทําอย่างนี้ก็ยังถือว่ายังขยับไปสู่จุดหมายปลายทางได้แต่จะช้าหน่อยกว่ารถที่อยู่ทางช่องเลนขวารถที่อยู่เลนขวานี้จะเป็นรถเกง่งรถเร็ววิ่งได้พรวดพราดไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่า สำหรับผู้ที่อยู่ช่องซ้ายถ้าอยากจะเข้าช่องขวาก็ต้องหัดภาวนาให้มากขึ้นเช่นวันพระก็อาจจะหยุดทำงานเอาวันหยุดทำงานนี่แหละจำเป็นวันพระวันไหนเป็นวันหยุดทำงานแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุข ท, งทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ลองไปอยู่วัดกันไปถือศีลแปดกันไปหัดถือศีลแปด แล้วก็ไปหัดภาวนาไปฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนคือปฏิบัติให้เข้มข้นสักหนึ่งวันดูดูว่าะจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าลองทำจริงๆก็ได้ไปถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะช่วยให้การภาวนานี้เป็นไปได้ง่ายกว่าศีลห้า ศีลปาจะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆทางกามอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้เกณอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้ไปหาความสุขจากบรรเทงมหรสศพต่างๆล้องนำทำเพลงดูภาพยนตร์ไปเที่ยวแต่ ไปงานต่างๆงานเลี้ยงต่างๆงานราตรีไม่ห้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวทำเเผวทำผมเสริมสวยความงามต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติภาวนานั่นเองถ้าอยู่วัดก็จะได้ภาวนามากกว่าอยู่บ้านมีเวลาว่างไม่ต้องยุ่งกับใครก็ เดินจงกรมเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบสลับกับการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็จะเป็นการฝึกหัดให้เป็นนักบวชก็เหมือนกับรถที่ลองเปลี่ยนเลนดูสักพักหนึ่งเอเคยอยู่เลนซ้ายมัน ล, ลองเปลี่ยนเลนเข้าเลนขวาดูบ้างเหยียบให้มันเร็วขึ้นวิ่งให้มันเร็วขึ้นะ ทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปก็จะทําได้มากขึ้นพอทําแล้วเห็นผลได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงคือถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ทําใจให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ก็จะเห็นว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็จะมีกำลังใจมีความยินดีมีวิธิทธิบาดีมีฉันทะวิริยะปรากฏขึ้นมาในใจฉันทะก็คือความยินดีที่จะปฏิบัติทำให้มากขึ้นวิริยะก็จะมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติให้มากขึ้นจะมีจิตตะใจที่จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติคิดอยู่กับเรื่องการปฏิบัติวิมังสาก็คอยคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติ คอยหาเวลาที่จะไปปฏิบัติเนี่แทนที่จะหาเวลาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เหมือนเมื่อก่อนพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะเปลี่ยนเป้าหมายการการท่องเที่ยวจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะไปหาวัดต่างๆเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะว่าเห็นรถเห็นความวิเศษของรถแห่งธรรมว่าชนะความ รสของทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงรสของการไปเที่ยวซื่อรสของธรรมไม่ได้นะถ้าพอได้สัมผัสแล้วก็จะเริ่มอยากจะภาวนาให้มากขึ้นก็จะเพิ่มวันปฏิบัติจากหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันอย่างที่ท่านทั้งหลายมาอยู่วัดกันครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้าง แสดงว่าติดรสชาติแห่งธรรมนะเมื่อก่อนนี้นานทีเปโหนจะเข้าวัดอยู่ถือศีลแปดกันสักครั้งหรือไม่เคยเข้าเลยก็มีเพราะว่ า, วายัางไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็เลยไม่มีอะไรดึงดูดให้อยากจะมาเข้าวัดกัน แต่พอลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะติดใจจะอยากได้สัมผัสมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะพยายามหาเวลาที่จะมาเข้าวัดอยู่เรื่อยๆนะพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะยิ่งได้สัมผัสรสแห่งธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะรสแห่งธรรมจะเกิดก็เกิดจากการปฏิบัตินี่เอง ถ้าไม่ปฏิบัติต่อให้ฟังเทศฟังธรรมไปจนวันตายมันก็ไม่เกิดนะการฟังเทศฟังธรรมนี้ฟังเพื่อเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมพอได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความสุขเกิดความยินดีที่จะหาความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวต่อไปก็จะมาอยู่วัดนานขึ้นนานขึ้นครั้งละเจ็ดวันบ้างครั้งละสิบห้าวันบ้างครั้งละเดือนหนึ่งบ้างครั้งละสามเดือนบ้างเมื่อช่วงเข้าพรรษาต่อไปจะวางแผนนะว่าช่วงเข้าพรรษานี้ต้องไปหาที่ไหนอยู่สักสามเดือนดูสิให้มันรู้แล้วรู้รอดไปมันพออยู่สามเดือนได้ต่อไปก็จะขอเจ้าวาดอยู่ทั้งปีนะขออยู่ประจำนะ อยู่ไปนานๆก็เบื่อผมยาวโกนหัวล้วมีผมไม่รู้มีไว้ทําไมเกะกะยุ่งยากโกนแล้วสบายไม่ต้องคอยมาสระคอยมาหวีไม่ต้องคอยมาเออ่มาคอยใส่น้ํามันน้ําอะไรต่างๆเอไม่ต้องมาตัดมาแต่งโกนแล้วแมมันสบายอาบน้ําก็อาบได้ลดหัวได้ทุกวันเย็นสบาย มอาบน้ำเสร็จก็ไม่ต้องมาหวีผ้าหวีผมไม่ต้องมาเช็ดผมมันจะเป็นของมันไปเองโดยอัตโนมัติของพวกนี้มันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยรักเคยหวงนี่เป็นของนะลุงหลังเป็นของที่จะมาคอยเหนียวลังความสุขที่จะเกิดจากความสงบนี่ ฉันต่อไปก็จะอยู่แบบนักบวชจะเป็นนักบวชต่อไปพอเป็นนักบวชที่นี้ก็ไม่กังวลเรื่องทําบุญลนะมีเงนินมีทองอะไรที่จะทําได้ก็ทาไปให้หมดไปเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นต้องเก็บถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องเก็บไว้ซื้ออาหารบ้างซื้ออะไรบ้างตามความจำเป็นถ้าเป็นผู้ชายถ้าบวชพระแล้วก็ไม่มีเงนินมีทงติดตัว พระพุทธเจ้าให้สละให้หมดผู้ที่จะมาบวชนี้ให้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นคือมีอัฐะบริขารมีบาทหนึ่งใบมีผ้าสามผืนเป็นสี่ชิ้นมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งชิ้นเป็นห้าชิ้นมีมีดโกนไว้โกนหนวดโกนผมเป็นหกชิ้นมีเข็มกับได้ไว้ซ่อมซ่อมเวลาจีวอนขาด เป็นเจ็บชิ้นแล้วก็มีที่กล่องน้ำที่ตักน้ำกล่องน้ำไม่ให้มีตัวสับติดขึ้นมานี่คือสมบัติของนักบวชมีเท่านี้พอเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ไปกังวลกับเรื่องสาบาสนะไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอผ้าป่าที่นั่นที่นี่กระถินที่นู่นที่นีนน่งานบุญงานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์งานอะไรต่างๆเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของผู้ของเรือนของผู้ที่อยู่เลนซ้ายผู้ที่ข้าเลนขวานี้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นรถประจำก็ไม่ใช่ถ้าเป็นรถโดยสารก็ไม่ใช่รถจอดประจำทางละรถแบบจอดจอดป้ายเดียวพอขึ้นปั๊บก็จะถ้าจอดก็ถึงจุดหมายปลายทางไปขึ้นที่เอกมัยแล้วก็มาลงที่พัทยา ถ้าได้เป็นรถจอดรถประชาทางก็แวะจอดไปเรื่อยๆมีใครโบกขอขึ้นก็จอดมีใครขอลงก็ลงนั่นเป็นรถเลนซ้ายรถเลนขวาน้ไม่มีการจอดพอออกแล้วก็มีแต่วิ่งไปจะหยุดก็ต่อเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักบวชก็เหมือนกันพอได้ปฏิบัติแล้วทีนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทาบุญทาทาน จะทุ่มเทไปกับการภาวนากับการรักษาศีลของนักบวชที่นักบวชก็มีตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดอันนี้ก็จะทำให้การปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้เต็มร้อยเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำแม้แต่แม้การหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ สามารถปฏิบัติได้ในขณะที่ไปบินธบาติเดินบินธบาติก็จะเดิญสติไปในตัวมีสติอยู่กับการเดินกับการเปิดฟ้าบาทเปิดฟ้าบาทอันนี้ก็เป็นการเดินจงกรมเหมือนกับการเดินจงกรมใจไม่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับหน้าที่ที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นการจเจริญสตินะ ถ้าพอได้เข้าสู่เลนเลนขวาแล้วนี่ก็เหมือนกับรถประจับรถโดยสารเขารับประกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงจากจากจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางเพราะเขารู้เวลาตายตัวว่ามันไม่เสียเวลามันไม่มีอะไรมาทำให้เสียเวลาเขาก็กำหนดเวลาได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง แล้วแต่ว่าระยะทางใกล้หรือไกลแต่ถ้าเป็นรถโดยสารที่ต้องจอดประจําจอดยุทธศพส่งผู้โดยสารนี่เขาไม่รับประกันเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะมีคนลงมากคนขึ้นมากน้อยเพียงไรเวลาไม่ไม่แน่นอนเหมือนกับเวลาของนักบวชนะพระพุทธเจ้าจึงรับมีรับประกันว่าใครได้เข้าสู่ ช่องเลนขวาเลนเร็วแล้วก็สามารถจะไปได้ถึงพระนิพพานไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ถ้าเป็นคารว่านี้พระพุทธเจ้าไม่รับรองไม่รับรองว่าจะไปได้ไปไปถึงได้เมื่อไหร่เพราะโอกาสที่จะไปถึงมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้การเป็นผู้คลองเลนแล้วจะไปให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้นี้ยกเว้น ผู้ของเรือนบางคนที่สามารถปฏิบัติเหมือนนั่งปวดได้หรือผู้ที่มีบุญเก่ามาเยอะพอฟังทรมป๊บเดียวคำเดียวก็บรรลุได้ถึงนิพพานได้อันนี้ก็มีอยู่บ้างเช่นพาหิยะนี่เป็นคารวสาอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไปเจอตอนที่พระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตก็ขอ ทานาธนาให้ช่วยแสดงธรรมพระพุทธเจ้าบอกตอนนี้เป็นเวลาบินทบาทไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมเขาก็ขอร้องว่าขอให้แสดงโดยสรุปก็แล้วกันเอาหัวข้อเอาเขาเอายอดแห่งธรรมพระพุทธเจ้าบอกเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอะไรรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ะ พอแสดงธรรมตอนนี้ภัยยะก็บรรลุธรรมได้บรลุธรรมก็เกิดศรัทธาขอบวชจะขอบวชเป็นพระต่อไปก็เลยลาพระพุทธเจ้าไปเตรียมอัฏฐบริการเตรียม เ, เ, เตรียมของใช้สําหรับนัก บ, บวชบอดีระหว่างทางไปเจอกระทิงขวิดตายโดนกระทิงขวิดตาย พระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวก็บอกว่าให้จัดการทำชาปน ก, กิจแล้วก็ให้เก็บอัฐิบรรจุไว้ในสถูปต่อไปการเอากระดูกของคนตายไปบรรจุไว้ในสถูปฤเจดีนี้ในสมัยโบราณต้องเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าของพระปเจกับพระพุทธเจ้ า, จาของพระอารหันต์หรือของพระมาหาจากักรพรรดิเท่านั้น การที่พระพุทธเจ้าบอกให้เอาไปบรรจุในสถูปก็แสดงว่าพาหิยะนี่ได้บรรลุธรรมได้ถึงพระนิพพานแล้วอันนี้เป็นกรณีพิเศษชาติก่อนๆ อ, อาจจะเคยบำเพ็ญทานศีลภาวนามาแล้วเคยบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามาแล้วแต่อาจจะตายไปก่อนที่จะบรรลุพอชาตินี้มาพบกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังทำได้ฟังข้อสรุปของการปฏิบัติเธอก็สามารถทำต่างได้สักแต่ว่ารู้เจอกระทิงก็สักแต่ว่ารู้เวลามันขวิดก็สักแต่ว่ารู้ไม่วิ่งไม่โกยหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ให้มันมันขวิดเอามันจะขวิดก็ปล่อยให้มันขวิดใจเป็นแผลใจเป็นเ พ, ย ง, เนเพยงแต่ผู้รู้ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไปกับความเป็นความตายของร่างกายเนี่นคือคารวาสผู้คลองเรือนบางท่านไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนมีบ้างบางคนก็เป็นโสดาบันอย่างนางวิสาขาเนก็เป็นคารวาสไม่ทราบว่าในประวัติเคยออกบวชไหยไม่ออกบวชมั้งเป็นดูได้บวชแล้วป่ะฮะใช่บวชเนีย ไม่ได้บวชนะนัแหละแต่บางคนก็ขอบวชเป็นภิกษุณีก็มีอย่างแม่ของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาอยากจะปฏิบัติเต็มร้อยอก็เลยขอบวชจึงเป็นเหตุทำให้มีภิกษุณีปรากฏขึ้นม า, าถ้าแม่ของพระพุทธเจ้าไม่ขอบวชพระพุทธเจ้าจะไม่อยากบวชให้ผู้หญิง เพราะท่านเห็นว่ามันยุ่งยากมันมันจะมีปัญหามากกว่ามีประโยชน์เพราะภ า, าวะของผู้หญิงที่เป็นนักบวชนี้มันลาบากแล้วมันมีภัยรอบด้านพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้ผู้หญิงต้องมาเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆแต่พอแม่เลี้ยงมาขอให้บวชตอนต้นก็ปฏิเสธไปปฏิเสธไปแ้ตอ น, ตอ น, ตตนผ้านนนี้ต้องมา มาเจราจามาถามพระเจ้าบอกว่าทําไมไม่บวชให้ผู้หญิงยิงผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของพระเจ้าเป็นแม่เลี้ยงมีพรอขุนเลี้ยงพระมาะตั้งแต่ตั้งแต่อายุเจ็ดวันเนะพ่อแม่ของตนเองตายพ่อก็เลยมอบเจ้าชายสิทธัตถะให้แม่เลี้ยงซึ่งเป็นน้องสาวของแม่เป็นน้าของเจ้าชายสิทธัตถะ เ, เลี้ยงต่อไปเอ พระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยงก็เลยนิ่งอานนุนก็ถามว่าเป็นผู้หญิงบวชแล้วปฏิบัติไม่ไปไม่ถึงนิพพานได้ยังไงะพระพุทธเจ้าบอกก็ไปถึงเป็นผู้หญิงบวชเป็นพระได้ก็ไปถึงนิพพานได้แล้วทําไมถึงไม่บวชให้เขาพระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้ก็เลยยอมบวชให้แต่ตั้งตั้งเงื่อนไขะมีเงื่อนไขอยู่ เ็ดข้อหรือไงเนี่ยเย่เขารู้ทรรม8ข้อเพื่อที่จะได้ควบคุมภิกษุณีให้อยู่ในกรอบในระเบยียบคือหนึ่งต้องอยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของภาพภิกษุถึงแม้ภิกษุณีจะบวชมาหลายพรรษาก็ยังต้องกราบต้องเคารพภาพภิกษุที่เพิ่งบวชแม้แต่วันเดียว อันนี้เป็นการที่จะคอยอรักษาองค์กรให้อยู่ให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพนะพระพุทธเจ้าเลยต้องตั้งกฎต่างๆขึ้นมามีอยู่แปดข้อด้วยกันก็ลองไปเปิดดูใน Google ก็ได้นะครับจำไม่ได้นะเพราะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ไปค้นคว้าเคอยอ่านแล้วก็ ต้องให้พระภิกษุบวช ด, ด้วยมั้งเวลาบวชนี่ต้องบวชอยู่สองอสองคณะด้วยกันต้องมีภิกษุนีบวชให้แล้วมีภิกษุสองบวชให้ด้วยถึยงจะบวชสําเร็จแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างต้อง <c oughs> อันนี้ต้องต้องไปอ่านดูทีกทคือทําให้การบวชนี้ต้อง ต้องเควนเอาคนต้องเควนเอาคนที่ตั้งใจจริงๆอยากจะบวชจริงๆเพราะคนที่อยากจะบวชเพื่อความโก้หรือพอจะกดระเบียบหังนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะบางคนคิดว่ า, เ, าเป็นฆราวาสแล้วไม่ไ ม, ไม่เทไม่มีคนกราบไหว้พอมาบวชเป็นพระแล้วมีคนกราบไหว้ก็อยากจะเห็นคนอื่นเขาเป็นพระก็อยากจะเป็นพระตามเขาเอาแต่ไม่ได้อยากเป็นเพราะเพื่อปฏิบัติ อยากเป็นเพราะว่าเพื่อจะได้ให้มีคนเขาเขาลบนับถือเพื่อจะได้รับลาบสักการะก็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสร้างข้อเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เพื่อที่จะได้เคนเลือกเฟ้นเอาคนที่ต้องการจะปฏิบัติจริงๆถ้าคนที่ต้องการปฏิบัติจริงๆเงื่อนไขต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ คร้อมที่จะปฏิบัติตามก็เลยมีภิกษุณีขึ้นมาแต่ก็มีอยู่ได้ประมาณพันปีมั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีภิกษุณีไม่มีใครสนใจจะบวชไม่มีผู้หญิงอยากจะบวชก็เลยภิกษุณีก็เลยที่เหลืออยู่ก็พอตายไปหมดก็ทีนี้ใครจะมาขอบวชเป็นภิกษุณีใหม่ก็บวชไม่ได้อันนี้เป็นสายของเถรวาดนะ เทราวาานี้เป็นพวกที่ยังยังปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่พวกนี้เขาจะเผยแผ่ธรรมลงมาทางใต้จากประเทศอินเดียตอนเหนือลงมามาทางใต้มาทางประเทศศรีลังกามาทางประเทศพมา่าประเทศไทยลาวขเขมรอันนี้จะเป็นสายของเทราวาา หรือที่เรียกอีกคำว่าอ า, ายานะหินายานส่วนอีกพวกนึ่นนี้เขาจะขยายตัวออกไปทางเหนือขึ้นไปทางทิเบตทางประเทศจีนทางประเทศญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้เขาจะปรับพระวินัยให้เหมาะกับสภาพของสถานที่ที่เขาไปอยู่ เพราะไปอยู่ที่หนาวเขาไม่ไม่มีไม่สามารถทำกิจบินทบาตได้ก็เลยมีการปรับธรรมเนียมปรับอะไรที่ต่างออกไปจากสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่เกาเรียกพวกนี้ว่ามหายานพวกนี้เขาว่าเขายังมีภิกษุณีอยู่สมัยนี้ถ้าผู้หญิงอยากจะบวชภิกษุณีก็ต้องไปบวชภิกษุณีจากพวกมหายาน อันนี้แต่ทางสายของเถรวาดเลยหิ น, นยานนี่เราไม่บวชให้บวชภิกษุณีให้แล้วเพราะบวชไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีภิกษุณีที่จะมาบวชภิกษุณีใหม่ได้ต้องมีสองสงมีภิกษุณีสงมีภิกษุสงถึงจะสามารถบวชภิกษุณีขึ้นมาได้ก็เลยไม่มีการบวช ผู้หญิงในสายเทรวาวก็จะบวชเป็นแม่ชีกันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ถือศีลสา0อยสิบกว่าข้อเหมือนกับภิกษุณีทท้งนั้นเองถือศีลแปดศีลสิเป็นหลักแล้วอาจจะถือศีลบางข้อของพระเช่นเสกิยะมีเจ็ดสิบห้าข้อที่เกี่ยวกับการประพฤติตัวการกินการเดินการนั่งการนอนอะไรต่างๆ ให้ทำในลักษณะที่น่าดูน่าชมนะครับภิกษีภิแม่ชีที่อยู่ตามวัดของพระก็จะปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนให้ปฏิบัติตามพระในบา ง, บางกฎบางข้อแ ต, แต่ก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกันอยู่เลนขวาเหมือนกันเป็นแม่ชีก็อยู่เลนขวาเหมือนกัน แทนที่จะหม่มสีเหลืองก็หม่มขาวกอนสีสะเหมือนกันไม่ได้บินทบาดก็อาศัยอยู่วดัดพระทัางยิ้มเบนบินทะบาตก็จะก็จะแบ่งอาหารมาหรือบางวัดถ้าครูบาอาจารย์มีบารมีท่านก็จะมีลงขวให้ให้ทำอาหารให้กินอาหารกันในวดัดอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนนักบวชเหมือนกันเป็นอยู่ในช่องขวา สามารถอยู่ภายใต้กำหนดของเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้เหมือนกันฉนั้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีสองสองช่องทางเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระกนันทันทีส่วนใหญ่เกิดมาก็เป็นคารวาสกันก่อน แล้วพอได้มาสัมผัสรับรู้กับพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติตามขั้นต้นก็ถ้ายังไม่เคยมีของเก่ามาเลยก็อาจจ ะ, ะปฏิบัติทานศีลภาวนาไปก่อนสาหรับคนบางคนถ้ามีของเก่าอยู่แล้วพอได้สัมผัสก็ไปบวชกันก็มีบวชเป็นเนรงั้นบวชกันตั้งแต่เด็กแล้วไม่ไม่ศึกก็มี อางสมเด็จพระยานสังฆราชองค์ก่อนนี่ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็ไม่เสกเลยอันนี้ก็อาศัยมีบุญเก่ามาติดตัวมาก็ไม่มีบุญเก่าทำไม่ได้หรอกอยู่ๆจะไปบวชนี่มันไม่ใช่ของง่ายคนที่ยังติดกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่นี่พอให้ไปอยู่วัดแค่วันเดียวก็อึดอัดนะหรือให้บวชบวชได้สามวันก็ขอลาสิกขา ขอลาสกันฉะน่้นคนที่อยู่ได้นี่สแสดงว่าต้องมีบุญเก่าต้องเคยบวชมาก่อนเคยฝึกหัดมาก่อนเคยควบคุมจิตใจบังคับจิตใจให้อยู่ในกฎในระเบียบของพระได้ก็ถึงจะอยู่ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นแบบวิ่งเล น, เลนซ้ายไปก่อนเพราะเป็นพวกที่เป็นรถบรรทุกของหนักมี ชอบมีของเยอะมีชอบมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีลูกมีเมียมีผัว ม, ม, มีอะไรราะนี้เป็นวิธีหาความสุขของผู้คองเรือนนั่นเองก็อาจจะทำได้มากน้อยแล้วแต่ละคนแล้วแต่ศรัทธาบางคนอาจจะทำได้นิดนิดหน่อยหน่อยทำบุญทำทานตามโอกาสเห็นตามวันเกิดตามวันสำคัญทางศาสนา ทำตามเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันตรุจีนวันอะไรก็ไม่ได้ทําแบบเอาจริงจังเอาจังบางคนก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องทานก็ทําแบบจริงจังทาเป็นลักเป็นกิจจารักษณะคือทําทุกวันใส่บาตรพระทุกวัน เือไม่เช่นนั้นก็ถ้าไม่มีพระก็สมัยนี้ก็อาจจะเอาเงินใส่บาทใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วพอเมเวลาไปวัดก็เอาเงินที่เก็บที่ใส่ในแต่ละวันที่เป็นเงินใส่บาทนี้เอาไปถวายวัดเนี่ยก็ยังถือว่าได้ทำบุญทุกวันเลยบางคนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะทำบุญเป็น เป็นเดือนเดือนหนึ่งก็ถวายวัดทีนึงโอนโอนเงินเข้าวัดเยเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารคอะไรคือทําอย่างปกติทําแบบทําแบบต่อเนื่องทําแบบสม่ําเสมอถึงจะเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญต้องทําแบบสม่ําเสมอไม่ใช่ทาตามโอกาสาตามตามโอกาสนี่ยังไม่ถือเป็นนักบุญยังเป็นยังทําแบบ สมัครเล่นอยู่วันไหนอยากจะทําก็ทำวันไหนไม่อยากจะทําก็ไม่ทําถ้าเป็นนักบุญนี่ต้องทําเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นประจําวันประจําเดือนก็แล้วแต่แ ต, แต่ทําเป็นประจำํำแล้วก็จะเริ่มรักษาศีลหา้าเป็นประจําเป็นนิจศีลศีลต้นตน้ตนก็อาจจะเป็นศีลชั่วคราวก่อนลวลไปวัดหรือลวลปไปมี กิจกรรมทางาศาสนาถวายสังฆทานทำบุญเขามักจะให้อาาธนาศีลห้ากันเวันนั้นก็อาจจะอาาธนารักษาศีลกันบางพวกก็อาราธนาแต่ปากพอกลับบ้านก็ออกจากวัดไปก็ฝากไว้ที่หน้าวัดไม่เอาติดตัวไปด้วย พอไม่ได้ตั้งใจจะมารักษาศีลตั้งใจเพียงแต่จะมาร่วมงานร่วมงานบุญทําบุญทําทานแต่บางเขามักจะให้อาราธนาศีลห้ารักษาศีลห้าด้วยแต่บางคนก็ไหนไหนมาวัดแล้วไหนไหนรักษาศีลแล้วลองรักษามันสักวันดูสิจะเป็นยังไงเออันนี้พอได้รักษาแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอดีนะรักษาศีลแล้วใจเย็นใจสบายขึ้นะ ก็อาจจะติดใจอาจจะรักษาต่อไปรักษาให้มากขึ้นได้การปฏิบัติมันต้องมีการพัฒนาทานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องพัฒนาจากน้อยไปหามากจากทำทานแบบไม่เป็นกิจจลักษณะทำให้มันเป็นกิจจลักษณะทำให้มันเป็นนิจเนืองนิดทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอทำให้มากขึ้นไปเรื่อย ศรักษาให้มันมั่นคงมากขึ้นไปเรื่อยๆได้ศีหน้าแล้วก็หัดลองรักษาศีลแปดเพิ่มในวันในบางวันวันที่เราไม่ทำงานทาการวันนั้นเราอาจจะไปวดัดไปอยู่วัดไปรักษาศีนแปดจะได้ไปภาวนาให้อย่างเป็นกิจจลักษณะภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้ต้องมีการพัฒนาไปผู้ที่เป็นผู้คลองเรือนมักจะทำอย่างนี้กัน แล้วก็ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะให้มากด้วยเพราะการฟังธรรมนี้หรือการอ่านหนังสือธรรมะนี่แหละที่จะทำให้เกิดศรัทธาเกิดความยินดีเพราะจะเห็นภาพต่างๆที่ไม่เห็นมาก่อนเห็นประวัติอันสวยงามของผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้บรรลุทำขั้นนู้นทำขั้นนี้กัน เราไม่เคยบรรลุทำขั้นไหนเลยเพราะอะไรวะก็เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเขาถ้าเราอยากจะบรรลุทำขั้นนู้นขั้นนี้มันก็เราก็ต้องปฏิบัติเนี่ยถ้ามันได้ยินได้ฟังได้ศึกษาทำทำมีหลายรูปแบบมีทั้งประวัติของบุคคลสําคัญต่างๆการปฏิบัติของบุคคลต่างๆว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขาถึงบรรลุธรรมกันเอมันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะถ้าเราเหมั่นศึกษา มันอ่านหนังสือธรรมะอ่านฟังเทศฟังธรรมอยู่มันจะมีความรู้เยอะๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบ้างเกี่ยวกับพระอริยสงสาวกบ้างมันจะทําให้เราเห็นภาพต่างๆว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้มันมีเหตุมีผลถ้าเราไม่ศึกษาเราฟังแบบคร่าวๆก็บอกว่าไปได้มากผลนิพพานด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจแล้ มันต้องเห็นภาพของคนที่เขาปฏิบัติกันเขาทำกันแล้วเขาบรรลุกันอย่างไรมันพอเห็นแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนเขาก็เป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นเหมือนเขาเขาเมื่อก่อนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เป็นนักบวชเขาก็อยู่แบบเราแต่ทาไมเขาถึงไปบวชได้เขาถึงไปปฏิบัติไปบรรลุทําได้ ก็เพราะเขามีอะไรมีเหตุมีอะไรทำให้เขาจูงใจให้เขาไปปฏิบัติกันเพราะเราศึกษาเราอ่านแล้วเราก็จะสามารถที่จ ะ, ะน้อมจิตใจน้อมการปฏิบัติของเราให้เข้าสู่ขบวนการแบบเขาได้เขาทำอย่างนี้เราก็ลองทำแบบนี้ดู เขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเขาเป็นชายเราก็เป็นชายเขาเป็นหญิงเราก็เป็นหญิงเขาเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กสมัยพุทธกาลมีคนปฏิบัติบรรลุธรรมแทบทุกเพศทุกวัยเป็นผู้คลองเรือนก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ถ้าเริ่มมีศรัทธามีความเชื่อแล้ว ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ช้าก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันอย่างแน่นอนการศึกษาธรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรายังไม่มีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามอย่างเต็มอย่างจริงจรงจังๆไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมส่วนใหญ่เราทำกันตามธรรมเนียมตามประเพณี เกิดมาในเมืองพุทธเป็นชาวพุทธพ่อแม่ทําบุญก็ทําบุญกับพ่อแม่มีอะไรก็ทํากันไปแต่ไม่ได้ทําแบบเข้าไปแบบลึกซึ้งทําไปตามประเพณีไม่รู้ว่าทําไปแล้วได้อะไรจริงๆอย่างจังอแต่ถ้ามาศึกษาแล้วก็จะเข้าใจว่าทําบุญแบบนี้ทําแบบนี้แล้วจะได้อะไรมันเราจะทําให้ได้ไปทําอะไรต่อได้ะ มันจะเข้าใจว่ามันทุกอย่างที่พระเจ้าสอนให้ทานี่มันเป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะพาให้เราขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆยกระดับจิตใจของเราให้เจริญให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์นี้เราก็จะขึ้นไปสู่ระดับเป็นเทวดากันถ้าเรารักษาสี่ห้ากันได้แล้วก็ทำมุลกันอย่างสม่ำเสมออันนี่ก็เป็นขั้น การพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ให้ไปสู่การเป็นเทวดาแล้วพอวันพระเราก็ไปถือศีลแปดอยู่วัดไปเปิดนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะเข้าสู่ชั้นสวรรค์ชั้นพรมได้จากสวรรค์ชั้นเทพเราก็จะก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้มันเป็นขั้นๆการปฏิบัติเนี่ยจะข้ามขั้นไม่ได้จะข้ามจากมนุษย์ไปเป็นพรมเลยไม่ได้ ต้องต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนต้องทําบุญทําทานให้ได้ก่อนเป็นเทวดาให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยมาหัดถือศีลแปดมาภาวนาทําใจให้สงบก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้แล้วถ้าอยากจะขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่ชั้นโลกุตตะละชั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้อง ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามากำจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอยดึงให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะครัถ้าศึกษาทำขั้นวิปัสสนาก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไ ด, ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์ทุกเกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสตัณหาความอยาก สามประการกาะตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตันหาถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายไม่อยากจะเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาเป็นมนุษย์ก็ต้องตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปอยากเที่ยวอยากเล่นอยากดูอยากฟังอะไรต่างๆนี้ตัดไปหมด อยากมีอยากเป็นอะไรก็ตัดไปหมดอยากเป็นสอสอตอนนี้กำลังเลือกตั้งก็ลาออกขอใบสมัครถอนใบสมัครคืนถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ไปสมัครสอสอกันสมัครสวอกันสมัครนายกกันผู้ที่เห็นผู้ที่เข้าใจอริยศาศาสัสตร์ก็จะรู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณ แต่ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอริยาาสัจสีก็จะคิดว่าความอยากนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าไม่อยากเป็นสสจะได้เป็นสสหรือใช่ไถ้าไม่อยากเป็นนายกจะได้เป็นหรือมันต้องอยากมันถึงจะได้เป็นเพราะเมื่อมันอยากแล้วมันจะได้ไปขวนขวายไปหาไปทำในสิ่งที่อยากได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองอ ลาบยศเสรรสริญสุขที่เราต้องการกันเนี้มันเป็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดมันไม่ใช่เป็นเหยื่อที่ไม่มีเบ็ดนถ้าเป็นเหยื่อแบบไม่มีเบ็ดนี่ก็ดีสิกินแล้วสบายอิ่มท้องแต่ น, นี่มันมีเบ็ดติดอยู่ที่ปลายที่เหยื่อพอหุบเหยื่อแล้วมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาเดี๋ยมันตะขอเบ็ดก็คือวัตตะสงสารนี่เองต่อไป ติดกับลาบยศสรรเสิญสุขแล้วก็จะต้องติดกับการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองอันนี้คนไม่ฉลาดจะไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดนานๆถึงจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสักมาเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วมาสอนมาเตือนพวกเราให้รู้ว่าอย่าไปฮุบเหยื่อนะอย่าไปฮุบลาบยศสรเสิญสุขนะอย่าเข้าหามันนะมันมีเบ็ดติดอยู่ พอไปฮูปมาแล้วก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับวัฏสงสารถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าไปหาอย่าไปอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขให้ไปหาความสงบไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าถ้าคนที่สมัครสอสอฟังเข้าใจก็ลาออกแล้วก็ไปอยู่วัดแทนไปบวชแทน อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาบอกถ้าไม่มีก็จะติดอยู่แม้กระทั่งความสุขระดับพรหมโลกก็ยังถือว่าเป็นโลกียะอยู่ยังเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอยู่ถึงแม้ว่ามันไม่มันเป็นความสงบแต่มันไม่ได้กําจัดตัวความอยาก บรนเทวดาก็ไม่ได้กาจัดตัวความอยากเป็นพรมก็ไม่ได้กาจัดเพียงแต่กดมันเอาไว้ชั่วคราวเวลานั่งสมาธิสติก็จะกดความอยากไม่ให้มันทำงานพอความอยากไม่ทำงานจิตก็สงบเป็นสมาธิเป็นพรมขึ้นมาแต่พอสติอ่อนกำลังลงปับ๊บความอยากมันก็จะดันจิตให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่น มันก็จะดึงจิตลงจากพรห ม, มโลกมาสู่เทวโลกมาหารูปเสียงกลิ่นรสทิพย์ก่อนมาหารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก่อนแล้วพอมันได้สัมผัสแล้วมันไม่อิ่มพอก็อยากจะได้รูปที่หนักกว่านั้นเสียงที่หนักกว่านั้นก็ต้องมาเอารูปเสียงของมนุษย์เนี่ยก็จะดึงจิตให้ลงมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอ ม, มาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาดิ้นรนมาหาอะไรต่างๆอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราโชคดีอย่างพวกเราเนี่ยได้มาเจอคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะไปแบบไม่กลับมานี้ต้องคอยตัดความอยากต่างๆพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดความอยาก พออยากได้อยากได้อะไรสามอย่างนี้ความอยากทางธรรมไม่เป็นปัญหาความอยากทางกิเลสเป็นปัญหาความอยากเป็นอยากเป็นนักบวชอยากรักษาศีลอยากไปนิพพานนี้ไม่ไม่ไม่เป็นโทษนี่ยความอยากที่เป็นโทษก็คือความอยากไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แค่นพออย า, ากสมาธิมาก็อยากจะดูอะไรแล้วเปิดทีวีดูอย่างนี้นก็เป็นคนที่ต้องการที่จะกําจัดความอยากก็ต้องไม่ดูแล้วทีวีเลือกดมอูมือถือก็ไม่เลือกติดตามข่าวสารอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเรื่องของคนนั้นเรื่องคนคนนี้ไม่ได้ทําให้จิตใจเราสงบกลับทําให้จิตใจเราวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆะ คนที่คนที่มีปัญญาจะคอยกําจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือการมาตัณหาภาวะตัณหาก็คือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่มีภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่พอมันเกิดในใจก็ต้องตัดมันหยุดมันไม่ทำตามมันแล้วเดี๋ยวความอยากเหล่านี้มันก็จะหมดไปจากใจ พอหมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาเด่งให้ใจมาเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นเหยื่อก็เหยื่อที่ถูกเอาเอาออกจากเบ็ดแล้วมีเหยื่อล้วนๆกินเข้าไปไม่รับรองได้ไม่ไม่มีโทษตามมาไม่มีเบ็ดไม่มีตะขอเบ็ดเกี่ยวปากคนที่ไม่มีความอยากแล้วไม่ว่าจะดูจะฟังอะไรมันก็ไม่ติดดูได้ฟังได้แต่ไม่ติดไม่ได้ดูด้วยความอยาก ถ้าอยู่ดีๆมันมีให้ดูก็ดูได้เอมีอะไรให้ฟังก็ฟังได้เอแต่ไม่ได้ดูได้ฟังแล้วเกิดความอยากเห็นเดินบินตบัสเห็นบ้านเขาเปิดทีวีก็ดูได้เห็นได้ดูแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ไปคิดอยากจะไปซื้อทีวีมาดูต่อแต่ถ้าคนมีความอยากนี่ดูแล้วเดี๋ยวอยากจะมีทีวีของตัวเองเะย เนื้อฟังอะไรแล้วก็อยากจะฟังไปซื้อเครื่องเสียงมาฟังกันคนที่ไม่มีความอยากก็พอเห็นอะไรก็เห็นได้ได้ยินอะไรก็ได้ยินแต่ไม่มีความอยากเวลาไม่ได้ดูก็ไม่รู้สึกหงดหิดลำคาญใจเวลาไม่ได้ยินก็ไม่รู้สึกหงดหิดแต่อย่างใดเพราะไม่มีความอยากไม่ได้ทำด้วยความอยากทำเพราะว่ามันมีเหตุการณ์มันธรรมะจัดสรรเนี่ยมัน มันมีอะไรมาให้สัมผัสรับรู้ก็รับรู้ไปใจที่ไม่มีกเกลยียก็จะเป็นใจแบบที่พระพุทธเจ้าสอนทาหิยะบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้เห็นแล้วเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแต่เห็นแล้วก็เฉยเฉยไปพอไม่เห็นก็เฉยเฉยเหมือนเดิมไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจถ้าเห็นแล้วดีใจนี่แสดงว่าเดี๋ยวต้องเสียใจแล้ว พอสิ่งที่ได้เห็นมันไม่มันหายไปดีความดีใจก็หายไปความเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ฉะนั้นต้องฝึกจิตไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจกับสิ่งต่างๆไม่ให้รักไม่ให้ชังกับสิ่งต่างๆการที่จิตจะไม่รักไม่ชังกับสิ่งต่างๆไม่ดีใจไม่เสียใจต้องเป็นจิตที่สงบเท่านั้นเพราะจิตที่สงบจะเป็นอุเบกขา อุเบกขานี้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไร ก, ก็จะสักแต่ว่าเห็นได้ต้องฝึกจิตให้มีอุเบกขาก่อนถึงสามารถเอาปัญญามาสอนจิตให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นได้ถ้ายังไม่เป็นอุเบกขาสอนมันยังไงมันก็ไม่เชื่อเชื่อไหมสอนว่าอยากเป็นชอบก็พอเห็นกระเป๋ารองเท้าสวยๆมันก็ชอบขึ้นมาน่ย น, นะเพราะว่ามัน มันไม่เคยเห็นเฉยๆมันไม่เคยสักแต่ว่าเห็นต้องฝึกให้มันสักแต่ว่าเห็นวิธีให้มันสักแต่ว่าเห็นก็คือต้องทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตเป็นอุเบกขามากๆเวลาออกมาเนี่เห็นอะไรมันก็จะเฉยเมื่อก่อนเคยชอบเคยอยากได้แต่พอมีอุเบกขาแล้วมันจะเห็นแล้วมันจะเฉยมันจะเฉยๆมันไม่ได้อยากได้แต่อย่างใดเ นี่คือความจําเป็นทำไมเราต้องมีสมาธิก่อนถึงเราจะมีปัญญาได้เพราะถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้มีปัญญาก็ห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ให้ชอบไม่ให้ชังไม่ได้ห้ามใจไม่ให้รักให้หลงไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจมันเฉยได้มันมันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ชอบไม่ไม่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเฉยเฉย เห็นอะไรก็เฉยได้แล้วพอปัญญาสอนว่าอย่าไปชอบนะอย่าไปชังนะอย่าไปอยากนะเพราะมันจะไปติดเบ็ดนะจะไปติดวัดจะไปติดการเวียนว่ายตายเกิดพอชอบอะไรแล้วมันก็อยากจะได้ได้แล้วมันก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันหมดก็อยากจะหาใหม่ใช่ไหตอนนี้ยุคนี้เราชอบโทรศัพท์มือถือกันอพอชอบก็ไปซื้อกัน ซื้อก็อยากจะให้มันใช้ได้ไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเสียพอมันเสียก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เมีใครหยุดซื้อได้ไั้มถ้าเครื่องเก่าเสียแล้วอลองใครมาเล่าให้ฟังว่าต่อไปนี้ถ้าเครื่องเก่าเสียแล้วจะไม่ซื้อเครื่องใหม่ต่อไปเนี่ยมันชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็เฉยๆเสียก็เสียไม่ใช้มันก็ได้เมื่อก่อนไม่มีมันก็อยู่ได้ทาไมพอเดี๋ยวนี้มีมัน้วอยู่ไม่ได้เนี่ย เพราะความเชื่อชอบความชอบความสุขที่ได้จากการใช้มันมันก็เลยติดติดมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเพื่อจะได้มาใช้โทรศัพท์มือถือใหม่นี่ยนี่คือความอยากนี่มันจะเป็นตัวชดล่าให้เรากลับมาเกิดไอตัวความอยากก็เกิดจากจิตที่มันไม่เฉยนั่นเอง จิตเห็นอะไรสัมผัสอะไรจะมีความนักชังโกรธหลงขึ้นมาทันทีพอเกิดรักชังโกรธหลงก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปทานก็เกิดภาวะเกิดพบขึ้นมาเกิดการเกิดแก่เจ็บตายตามมาต่อไปอนี่คือเรื่องต่างๆ ของการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่สองช่องทางด้วยกันช่องทางช้ากับช่องทางเร็วช่องทางช้าคือทานศีลภาวนาที่เหมาะกับผู้คลองเรือนส่วนช่องทางเร็วนี้คือศีลสมาธิปัญญาช่องทางนี้เหมาะกับผู้ ผู้บวชเป็นพวกนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศีลแปดและปฏิบัติเต็มเต็มร้อยก็ถือว่าเป็นนักบวชได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องบวชเป็นพระเป็นชีเสมอไปเป็นคารว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมเต็มร้อยก็เหมือนก็เป็นเหมือนพระเป็นเหมือนแม่ชีเหมือนกัน มันไม่ได้อยู่ที่เป็นพระเป็นแม่ชีหรอกเพราะมีพระแม่ชีเยอะแยะที่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติกันเต็มร้อย ừ, ก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดี ừ, ไปเกะกะทางด่วนเขาเปล่ า, าคนจะชิดซ้ายมากกว่าจะได้พวกที่เขาไปเร็วจะได้ไปได้กัน ừ, นะอย่าไปยึดติดกับรูปแบบเพียงอย่างเดียวให้ยึดติดอยู่กับสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นคารวาสเจนูบาสุโคบาสิกา้าเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นสนัมเณีขอให้มีสุปฏิปัโนอย่าไปดูที่ผ้าเหลืองผ้าขาวนีอันนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องแบบที่อาจจะไม่ได้เป็ น, ปนตัวที่จะทําให้ได้มรรคผลผนิพพาน โดยที่จะให้ได้มากผลนิพพานคือตัวสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเต็มร้อยแล้วก็ไปได้เหมือนกันถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอ an ิชิตังปัช um ิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโต สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายยสุขิทีคายยโกภวาภิวัฒนสิริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัทานเตอายุวันโอสุขางภาลาง วันนี้เข้ามาเท่าไรค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดยูสองร้อยเจ็ดสิบสี่วิทยุออนไลน์สามสิบสามผู้รับฟังบนเขาห้าสิบสองรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยสามสิบหกค่ะ อ, อย่างนี้เฟ e b o o k อยู่ประมาณสามร้อยกว่า y o u ู u สองร้อยกว่าสองงันนี้ก็ลงไปหกร้อยแล้วเดี๋ววันเสาร์ทย์จะลดเนี่ยวันเสาร์ทย์จะ ไปต่างจังหวัดกันบางทียูเคสบุ๊คไม่ค่อยดีพี่ไอ้ก็อยู่ทัวร์มีใครอยากจะถามอะไรไหมส่งมาไปทางนี้อย่าเอาคำถามของคนอื่นมาถามเรานะอยาาคําคำพูดของคนอื่นมาถามเราเขาพูดอย่างนั้นเราให้เราตอบแทนของเราตอบไม่ได้นะ ก็ไม่ได้เป็นบรรผชิตนะคะเออทำไมเลยต้องต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถึงจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างนั้นไม่หรอกนะก็ถ้าโครงการเจ็ดวันก็อาจจะทั้งวันทั้งคือมันมันมันมีหลายอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะมันไม่ใช่เป็นอยู่ที่การปฏิบัติอย่างเดียว ปัญญาต้องแหลมคมฉลาดแหลมคมกว่ากันสติมันไวกว่ากันอะไรมันมีหลายอย่างจึงจะถึงแม้ว่าจะมีศีลสมาธิเหมือนกันแต่มันเข้มข้นไม่เหมือนกันอมันรู้มันก็เลยช้าเร็วต่างกันเหมือนนักเรียนที่เรียนเกตต่างกันนะ สี่จุดพวกที่นั่งอยู่หน้าห้องมักจะได้สี่จุดพวกอยู่กลางห้องก็ได้สามจุดพวกอยู่ท้ายห้องก็ได้สองจุดนะพวกนี้ก็แบบเดียวพวกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็แบบนี้พวกเจ็ดวันพวกที่ชอบนั่งอยู่หน้าห้องชอบฟังครูสอนพวกที่ชอบคุยเล่นกันก็อยู่ข้างหลังพวกนี้ก็ช้าหน่อยมีทะเลทลายยังมีทะเลทลายอยู่บ้าง คําถามหนึ่งค่ ะ, ะพูดใกล้ๆหน่อยออผู้ที่สวดมนต์ทุกวันนะคะสวดมนต์ทําสมาธิทุกวันแต่ก็ยังติดละครอยู่เนะะี่ยค่ะนั่นแหะสิถ้ <c oughs> ะะแสดงว่าสติยังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากติดละครได้ <c oughs> แสดงว่าสวดไปแบบไม่สงบสวดไปแล้วก็สวดไปเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นหน้าที่ ถึงเวลาก็สวดสวดสว ด, ดแล้วก็คอยดูนาฬิกาถึงนนสวดแบบไม่ได้ตั้งใจสวดไม่ได้สวดเพื่อให้เกิดสติยังไม่ได้เป็นนักบุญอ่าะะอถ้ายังถ้ายังชอบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ยังเป็นนักบวชไม่ได้ขอบคุณค่ะทำไมเรายังชอบอยู่ลเลย <laughs> <laughs> ค น, นนะคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะกราบธรรส ก, การพระอาจารย์เรื่องการทำบุญตักบาตรโยมจะพาลูกๆตักบาตรทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ปัจจัยหรือการจัดการต่างๆส่วนมากจะเป็นโยมทำํำแต่โยมได้ทําการหักค่าขนมที่จะได้ไปโรงเรียนของลูกสาวไว้โดยเอามาทําบุญร่วมกับโยมลูกสาวจะได้บุญตามที่โยมได้ไหมเพราะก็ถือเป็นสัดส่วน 30% ของรายได้ต่ออาทิตย์ที่เขาได้รับจากผู้ปกครองอ๋อมันต้องเกิดจากความปรารถนาของเขา แต่ถ้าถูกบังคับหักแบบเสียภาษีอย่างนี้มันไม่ได้บุญตองเขาต้องขออาสาบอกแม่หนูขอแบ่งเงินก้อนนี้ไปช่วยทำบุญใส่บาตรด้วยแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าแม่จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญนะลูกลูกก็ถึงแม้ไม่อยากก็อาจจะต้องยินยอมเหมือนเราไม่อยากจะเสียภาษีแต่เราก็ต้องยินยอมเสียภาษี การถูกบังคับไม่ทำอะไรมันยังไม่ถือว่าเป็นเป็นการกระทำของตนเองถูกบังคับแต่ก็อาจจะได้บ้างอาจจะได้บุญบ้างเพราะเงินงก็ยังเป็นเงินของเขาอยู่แต่ถ้าจะดีให้เขาเพียงแต่บอกเขาว่าแม่ทำบุญจะร่วมทำบุญไหมถ้าเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจของเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้บุญมากกว่า เพราะเขาจะได้สั่งใจสั่งตัวเขาเองเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกจะทำบุญก็ได้หรืออยู่ที่ว่ากิเลสกับธรรมอันไหนจะมีกำลังมากกว่าถ้าเขากิเลสมากกว่าเขาบอกเสียดายอาจารย์เขาไปเที่ยวงนี้เขาก็บอกไม่ทำได้ไม่แม่แต่ถ้าแม่บอกหักไปก่อนแล้วนี่แล้วค่อยอันนี้ก็เขาไม่มีทางเลือก ก็เป็นเพียงบังคับให้เขามามันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือบางคั้ถ้าบางทีเขาไม่อยากจะมาบางทีก็ต้องบังคับให้หัดให้เขาหัดมาก่อนพอเขาได้ทําแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วอาจจะอยากจะมาเองต่อไปก็ได้อันนี้แต่มันผลไม่ได้เท่ากันผลที่มาเองกับผลที่ถูกบังคับให้มานี่มันไม่ไม่เท่ากันคําถามจะกคุณเจริญ น้อมกราบน้ำรส ก, การพระอาจารย์ขออนุญาตถามมีคนเขาเห็นของในวัดเช่นแก้วน้ำที่ใช้แล้วแต่เขาอยากได้จึงไปซื้อของที่ดีกว่าราคาสูงกว่ามาเปลี่ยนแทน <c oughs> ไม่ทราบว่าเป็นการอธินาทานไหมครับและที่ถูกต้องเขาควรจะไปขอจากใครเช่นพระลูกวัดหรือผู้มีอำนาจในการบริหารวัด เป็นกิเลสเนะอย่าไปทําเลยเนื้อไม่ใช่เป็นของของเราเราก็อย่าไปอยากมันได้มันก็จบตัดความอยากดีกว่าไม่ใช่ไปหาวิธีทําตามความอยากความอยากมันก็หลอกเราพอได้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อไปงั้นอย่าไปอยากได้ดีกว่าอันไหนไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอยากมันตัดใจไป มันก็แค็งนั้นแหละความอยากมันจะหลอกให้เราโอ้ยแก้วนี้สวยได้มาแล้วจะมีความสุขพอได้มาจริงๆก็สุขประเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาแล้วก็ไปตั้งไว้เฉยๆแล้วก็เป็นภาระหรือเป็นโทษเกิดมันหายไปเกิดมันแตกก็อาจจะโกรธหรืออาจจะเสียใจขึ้นมาอีกเงั้นอย่าไปอยากได้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราดีกว่าถึงแม้ว่า จะซื้อมาได้ก็ตามอย่าซื้อได้ดีกว่าอย่าไปอยากให้ซื้อของที่จำเป็นจะต้องซื้อเท่านั้นของที่ต้องมีเช่นถ้าเสื้อผ้าหมดไม่มีเสื้อผ้าใส่ต้องซื้อใหม่ก็ซื้อมาแต่ถ้ายังมีของเก่ายังใช้ได้อยู่อย่าไปอยากซื้อของใหม่เลยเพราะความอยากมันมันจะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆแล้วความสุขที่ได้ก็ความสุขเดียวเดียว แต่ความทุกข์มันจะมากกว่าเพราะทุกครั้งที่อยากมันเนี่ยก็ต้องดิน้นรนคิดอย่างนี้เดี๋ยวพอได้แก้วนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยากได้จานอีกเดี๋ยวก็อยากจะได้ช้อนอีกมันก็อยากของไปเรื่อยๆวความความสุขที่ได้มันหายไปแต่ความทุกข์ใหม่ๆมันไม่มีตามมาเรื่อยๆแต่พอเราหยุดความอยากได้นี้มันจะหายอยากไปเลยต่อไปไม่อยากได้ของวัดวนะปัญหาความทุกข์ใจ ที่เกกกกกิดดดดจาากการไไไ้้้้้ชชอนนนแวมมัม็หปคำถามต่อไปนมส ก, การบุญฉาพระอาจารย์ครับรักอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ครับผมเป็นเกย์ครับรักแบบปล่อยไงอย่าไปรักอย่ายึดอย่าไปรักว่าเป็นของเราออวันนี้เขาอยู่กับเราพรุ่งนี้เขาจะไปอยู่อีกคนหนึ่งก็ให้เขาไปอแต่ว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นของเราอ เอาแค่ปัจจุบันเป็นของเราแค่ปัจจุบันเดี๋ยวอนาะคตเขาจะไปเป็นของคนอื่นก็ให้เขาไปเอแต่มันพูดง่ายแต่ทํายากถ้าจะทําให้มันง่ายก็คืออย่าไปรักเลยแล้วมันก็จะง่ายถ้าไปรักแล้วมันยากที่จะปล่อยเพอรักแล้วมันจะยึดมันจะหวงแล้วมันจะทุกข์มากเวลาที่เขาไปเองั้นอย่าไปรัก มาทำสมาธิแล้วมันก็จะไม่รักคำถามจากคุณนโมกราบนมัสการพระคุณเจ้าศีลห้ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมีตั้งแต่มีจิตมีคนเมื่อมีจิตมีคนมันก็มันมีคนทำผิดศีลมันก็ต้องมีศีลมาแก้ออตามได้ที่มีคนมาเกิดนั้นตามนั้นมันจะมีคนทำบาปเพราะความอยากมันมีอยู่ในใจของคนที่มาเกิด เมื่อมันไม่สามารถหามาได้โดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะไปหาโดยวิธีเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองถ้าเราอยากจะให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีเรื่องกันก็ต้องมีศีลปรากฏขึ้นมาศีลมีในสังคมของมนุษย์แต่ไม่มีในสังคมของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้ก็ไม่มีความฉลาดพอที่จะเห็นคุณของการมีศีลแต่มนุษย์นี่มีสติปัญญาที่คิดได้ คิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นคิดว่าการมีศีลกับการไม่มีศีลนีน้มีประโยชน์มีโทษ ต, ต่างกันสังคมของมนุษย์จึงอยู่กันอย่างสงบมากกว่าสังคมของสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามีศีลมีกฎหมายมาคุ้มครองสัตว์ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนกันนั่นเองคาถามจากคุณพีเจ รบกวนพระอาจารย์อธิบายขันห้าแบบง่ายๆและเข้าใจง่ายค่ะขันห้าก็มีอยู่สี่ก็มีห้าขันมีห้าอาการอาการที่หนึ่งเรียกว่ารูปรูปนี้คือร่างกายของเราที่เราเห็นด้วยตาเนื้อ น, นี้เรียกว่ารูปเป็นหนึ่งขันรูปประขันส่วนนาอีกสี่ขันเราเรียกว่านามะขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรามองไม่เห็นด้วยตา อันนี้ต้องสัมผัสด้วยใจต้องรู้ด้วยใจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของใจมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใจมาแต่งงานกับร่างกายแล้วใจก็เลยมีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับร่างกายปรากฏขึ้นมาพอร่างกายเห็นรูปใจก็จะรับรู้ตัวที่รับรู้รูปที่มาทางตาเรียกว่าวิญญาณอันนี้ก็อีกขันหนึ่ง ตัวที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปัตภะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะมีผู้มารับรู้คือวิญญาณวิญญาณในขันห้าเรียกว่าวิญญาณอันนี้ขันนามะขันข้อที่หนึ่งเป็นขันที่สองต่อจากรูปก็วิญญาณวิญญาณนี้จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสพอรับรู้แล้วก็จะมีขันที่สามคือสัญญามา แปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้รับรู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรออันนี้คือหน้าที่ของสัญญาคือความจําได้หมายรู้เอบางทีจําได้ว่ารูปนี้เป็นคนนั้นคนนี้เสียงนี้เป็นเสียงของคนนั้นคนนี้อันนี้คือหน้าที่ของสัญญาหรือถ้าจําไม่ได้หรือไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะรู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครออันนี้ก็หน้าที่สัญญา พอมีสัญญาเกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะมีเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะพอรู้ว่ารูปที่เห็นเป็นรูปที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเจอรูปที่ไม่ชอบจำได้ว่ารูปนี้ไม่ดีเจอแล้วเจ็บตัวทุกทีก็ไม่ชอบก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมารู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ทางใจขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> แล้วพอเกิดสุขทุกข์แล้ว ก็จะมีตัวต่อมาคือสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารก็จะคิดว่าถ้ามันสุขเราก็ควรจะไปหามันใช่ไถ้ามันทุกข์มันไม่ดีเราก็ควรจะหนีมันหรือควรจะกำจัดมัน อ, อันนี้เป็นความคิดปรุงแต่งที่จะสั่งให้ใจสั่งทางร่างกายต่อไปให้ทำยังไงกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มาสัมผัสพอยุงมาเกาะปั๊บก็ตกปุ๊บเลยเนี่ยมันเร็วนะ มันขานห้ามันทํางานปุ๊บพร้อมกันเลยพอยุงมาเกาะรูปคือร่างกายวิญญาณรับรู้ว่าเป็นยุงปรับสัญญาจําได้ไหมนี่ไม่ดีสังขารสัง่งความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นสังขารสั่งให้กําจัดมันทันทีตบมันปุ๊บเลยเนี่ยขานห้ามันทํางานกันอย่างรวดเร็วอัตโนมัติเลยเข้าใจยังเอา้าวถามส่งไม่ไปหน่อย อย่างเมื่อกี้คือเวทนาทางใจใช่ไหมคะก็จะว่าทางเวทนามันมีสองทางม า, า, ามันมาจากสองทางถ้าสมมติว่าเราเดินแล้วเราเจ็บอะไรนี้มันคือเป็นเวทนาที่เกิดจากกายจากรูปเล้วมันก็เป็นทั้งสองอย่างเป็นที่ใจด้วยเป็นที่ร่างกายด้วยมันมั น, ม, นมันเกิดจากการที่สัมผัสทางร่างกายที่ใจไม่ชอบมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา คามรู้สึกไม่รู้สึกทุกข์ขึ้นมารู้สึกทุกข์จากกายขึ้นมา ม, นมันก็อยู่ในใจเั้านั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่กายเพราะกายมันไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วกายมันไม่รู้ไอความเจ็บนี่มึงก็ไม่ใช่ของกายเออใจความเจ็บร่างกายเป็นเหมือนตัวเชื่อมตัวรับสิ่งที่ทําให้ใจทุกข์เท่านั้นเองใจที่ทุกข์เพราะไปไปชอบไปชังมัน ถ้าเฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะมีไม่สุขไม่ทุกเวทนาโดกลางๆเช่ <Henry. S 1> นเห็นเงินที่เราไม่เคยเห็นเห็นแล้วก็เฉยๆ <c oughs> เห็นเงินจีนเห็นเงินอาหรับไม่รู้มันกี่ตังค์ <c oughs> ก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเรืออะไรขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเห็นเงินไทยใครวางไว้อยู่ไม่มีเจ้าของนี่ใช่ไหมมันรู้โอ้นี่มันแบงค์พันเนี่ยว่ะเนมัน นีนก็อยู่ที่สัญญา<ช>สัญญาควญญามจำนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเราเดินเดินนา น, านเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็เกิดอาการขึ้นมาที่ขาที่เจ็บอีกอย่างอันนั้นก็บันโทพทพะเนี่ยความความรู้สึกที่มันกม า, มาสัมผัสที่ร่างกายที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอ่จออ<ส>าจะไปบำบัดค่ะคำถามจากคุณแพทสร้างอภัยทานให้เกิดขึ้น สร้างอโหาสิกรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตทำยังไงคะหลวงพ่ อ, อก็ให้อภัยไงใครพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ให้อภัยอย่าไปถือทเท้อดโกรธเคืองเขาวิธีที่จะทำได้ก็คือมองให้เขาว่าเป็นเหมือนเด็กทารกเรามักจะไม่ค่อยโกรธเด็กทารกเท่าไหร่นะเด็กเล็กมันทำอะไรเสียหายแล้วก็ไม่เป็นไร ม, นมันเด็ก ถ้าเรามาองทุกคนว่าเป็นเหมือนเด็กทารกนี่เราก็จะให้อภัยได้ง่ายคำถามจากคุณจีตการที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสิบวันหรือหนึ่งเดือนแต่ทำให้พี่น้องไม่พอใจเพราะต้องทำหน้าหน้าที่ดูแลพ่อแม่และดูแลกิจการแทนทำให้พี่น้องเป็นบาป หรือเราเป็นบาปไหมซึ่งชีวิตถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ช่วยดูแลพ่อแม่และทำงานกิจการที่บ้านทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยปะละเลยหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราปล่อยปะ ล, ปละเลยโยนภาระให้กับคนอื่นทำให้เขาไม่พอใจอันนี้ก็เป็นความผิดของเราแต่ถ้าเราไปโดยที่ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ เขาไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาสังขารของเขาเองที่เขาไม่ชอบการกระทําของเราอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดสาหรับเราเราก็ไม่ได้ทำบาปเขาก็ไม่ได้ทำบาปเพียงแต่ทาเขาทำให้ใจเขาทุกข์ไปเองเพราะความไม่ชอบในการปฏิบัติของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดวิสยัยช่วยไม่ได้จะทำให้คนทุกคนชอบเราย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะ น, นก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างเหมือนกับผลไม้เนี่ยมหมทําไมบางคนชอบผลไม้ชนนีน้นี้บางคนไม่ชอบผลไม้มันเสียใจมันมันไม่เสียใจมึงไม่ชอบ ก, กูกูไม่ว่าเลยกูไม่ได้ไปทําร้ายทำลายมึงไงมึงอยู่ดีๆมันไม่มาชอบกูเฉยๆใช่ไหอแต่ถ้าเราเกิดไปทําให้เขาเจ็บเรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความผิดของเราเขาไม่ชอบเราแบบนี้เราต้องอย่าไปทําเอออย่าฮห อย่าทาอะไรที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายด้วยการกระทําของเราโดยตรงกับตัวเขาแต่เราไปเดินเล่นของเราแล้วเขาไม่ชอบอันนี้เราไม่ได้ไปทําอะไรเขากับเขาให้เสียหายโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาที่ไม่ชอบให้เราไปเดินเล่นนั้นนั้นเองคําถามจะคุณวณิตากราบนมัสการพระคุณเจ้า พี่สาวพ่อเขาจะอิจฉาครอบครัวของดิฉันมากสอนลูกเต้าให้เหมือนกันแต่พ่อก็ช่วยเหลือเขาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตอายุ40แล้วครอบครัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลูกๆของป้าจะคอยใช้คําพูดเสียสีตลอดแต่เวลาเดือดร้อนก็ไม่พ้นครอบครัวดิฉันที่จะต้องช่วยเหลือดิฉันทุกประมาณหนึง่งอยากถามว่าเป็นเพราะเหตุใดและทําไมความดีของครอบครัวดิฉันไม่ชนะใจครอบครัวนี้สักทีค่ะ อาจจะน้อยไปมั้งถ้าดีน้อยมันก็ยังชนะไม่ได้ถ้ามันดีมากๆมันก็ จ, จะชนะได้เรามักจะเข้าข้างตัวเองบางทีเราทําดีนิดเดียวเราไปหมาว่าเป็นเท่ากองภูเขาส่วนการการะทําไม่ดีของเราแม้จะเท่ากองเท่าภูเขาก็เห็นเป็นผงทุลี <Yeah. S 2> งั้นเราอย่าไปประเมินการการะทําของเรามันจะมักจะเข้าข้างตัวเอง ให้ดูผลก็แล้วกันว่าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราช่วยไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าอยากให้เขาชอบเราก็ทําให้ดีมากกว่านี้ดูดูจะทําให้เขาชอบเราหรือไม่ถ้าก็ยังไม่ชอบอยู่ก็ก็อย่าไปอยากให้เขาชอบก็จบง่ายกว่าเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบดาบใดที่เราไม่ไปเบียดเบียนเขาเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่ได้ทาอะไรทำอะไรเสียหาย การที่เราช่วยเขาก็จะได้บุญถ้าเราไม่ช่วยเขาเราก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเองคำถามจากคุณทริชาการเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญไหมคะเป็นบุญเป็นมงคลอย่างยิงยงย่งการดูแล บ, บิดามันดาบิดามันดานี้เปรียบเหมือนพระพรหมพระอาหารหันต์ของลูกๆ ถือว่าทําบุญกับได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้ทําบุญกับพระพรหมเลยเพราะพ่ อ, พอแม่มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งเหมือนกับพระอาหารหันต์ที่มีพระคุณกับพวกเราคําถามจากคุณเคป๊อกราบนามัสการเราควรใช้ธรรมะข้อใดกับทั้งตัวเองกับทั้งตัวของเราเองกับผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชสาธุ ไม่รู้เหนันถ้าจิตตะเวนนี่มันพูดไม่รู้เรื่องนะคนเป็นจิตตะเวนนี่มันเป็นคนที่ไม่มีสติควบคุมอารมณ์ของตนเองฉะนั้นถ้าสอนคนจิตตะเวนให้ฝึกสติให้หัดท่องพุทโธพุทโธไปอย่าคิดปรุงแต่งคอะคำถามจากคุณจตุรนกราบนมัสการถามหลวงปู่ครับ กระผมเดินจงกรมแล้วกําหนดตั้งสติที่ลมจดจ่ออยู่กับลมโดยไม่ใช้คําบริกรรมสักระยะรู้สึกอิ่มแบบสะอึกสะอื้นแล้วร้องพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วร้องหยุดร้องหยุดเป็นระยะกระผมภาวนาถูกหรือผิดครับและควรทําอย่างไรต่อก็คิดว่าไม่ถูกนะถ้าร้องนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้ว ถ้ามีสติมันจะต้องไม่ร้องมันจะต้องเฉยเงน็นการภาวนาเวลาเกิดผลขึ้นมาบางทีหยุดหยุดใช้สติไปติดอยู่กับผลมันก็เลยทำให้จิตเกิดปฏิกริยาต่อผลนั้นได้ก็เกิดอาการร้องเกิด อ, าากาอะไรขึ้นมามันก็ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันก็จะชะ ง, งักติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ที่ปิติ แต่จะไม่เข้าสู่อุเบกขาได้เห็นการเดินจงกรม น, นั่งสมาธินั้นต้องมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปเกิด อ, อาการปิติก็อย่าไปติดตามมันอย่าไปสนใจมันให้กลับมาอยู่ที่ลมที่เราใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจต่อไปคําถามจะกคุณกำพลเรียนถามพระอาจารย์ครับ เวลาเราจิตใจไม่สงบแต่เราก็อยากที่จะนั่งสมาธิเพ uh ื่อฆ่ากิเลสแต่เราไม่มีสมาธิเลยครับเพราะความอยากมันมาทำให้เราไม่มีสติในเวลานั่งสมาธิให้ลืมความอยากแล้วให้มาอยู่กับลมหายใจอย่าไปคิดถึงผลที่เราอยากได้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากยิ่งไม่สงบดังนั้นต้องให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปเรื่อย สงบไม่สงบไม่เป็นปัญหาอย่าไปอยากอย่าไปคิดถึงความอยากอย่าไปคิดถึงความสงบที่เราเคยได้แล้วอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วถ้านั่งคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีวันสงบคําถามจ้าคุณพวินกราบเรียนพระ อ, อาจารย์ครับจิตอกุศลคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์แก้อย่างไรครับก็คิดให้มันกุศลสียอกุศลมาแก้ ให้คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่เราเกิดมาได้เพราะใครร่างกายนี้เป็นของใครใครให้เรามาใหน้นำลึกถึงบุญคุณต่างๆที่พ่อแม่มีกับเรามันก็จะทำให้เราไม่กล้าคิดอกุศลต่อพ่อแม่ปัญหาคือเราไม่ค่อยยอมคิดกันเราลืมความสำคัญลืมบุญคุณของพ่อแม่มันก็เลยทำให้เรากล้าคิดอกุศลต่อพ่อแม่ได้ โบราณก็นึ้งสอนให้กราบพระแล้วกราบพ่อแม่ทุกทุกวันก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมากราบก็ไม่ได้หมายความให้กราบเฉยๆกราบแล้วให้นำลึกถึงพระคุณให้นำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณนำลึกถึงพระคุณของพ่อพระคุณของแม่ถ้าเรานำลึกอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ลืมแล้วเราก็จะรักพ่อรักแม่เพราะเรารู้ว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เรามีเราขึ้นมาไม่ได้ ร่างกายของเรานี้พ่อแม่เป็นผู้ผลิตให้กับเราเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่อย่างที่เราจะไม่สามารถทดแทนได้แต่ต่อให้เลี้ยงดูท่านจนไปจนวันตายบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมดพระพุทธเจ้าบอกจะทำให้บุญคุณของพ่อแม่หมดไปได้ก็ต้องทำให้พ่อแม่เป็นพระโสดาบันมีอันภาพพระพุทธเจ้าไปสอนแม่ให้บรรลุปเป็นพระโสดาบัน อเป็นพระโสดาบันแล้วก็พ้นอาบายแนละ้วพ้นการเลือดเจ็ดชาติก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนะั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ถ้าเราคิดถึงบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แล้วเราก็จะได้ไม่กล้าที่จะไปคิดอะไรไม่ดีต่อพ่อแม่ คำถามจะคุณพัชรีผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดจะดำรงจิตอยู่อย่างไรในการใช้ชีวิตประจาวันคะก็อยู่อย่างปกติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเอะพวกเรามันพวกผิดปกติกันะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็กลัวแล้วเดี๋ยวก็หลงผู้ที่เขาบรรลุธรรมสูงสุดเขาก็สักแต่ว่าไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าไปได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไป ไม่ได้ลักไม่ได้ชังไม่ได้กลัวไม่หลงแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆถ้ายังต้องทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลใครมาหาทักทายก็คุยกับเขาไม่ใช่เฉยไปหมดใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเขาไปก็ยังทำอะไรอยู่แต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลเขาเรียกว่าทำแบบธรรมะจัดสรร ทำจัดสรรให้ทำอะไรในะตอนนั้นก็ทำไปคำว่าทำก็คือเหตุผลเหตุการณ์เหตุการณ์ให้ทำอะไรก็ทำไปทำได้ก็ทำไม่ทำไม่ได้ก็เฉยถ้ามีเหตุการณ์ให้ช่วยกนนี้ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็กเฉยไปคำถามจากคุณนิพากรามนมาส ก, การถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมติดพุทโธภาวนาพุทโธอย่างเดียวบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะ เพราะอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเจ้าค่ะออได้สมาธิได้สติถ้าจะบรรลุธรรมนี่ต้องเจริญปัญญาพิจารณาไต่ลักต้องเห็นทุกอย่างเช่นลาบยศสารเสริญสุขว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดีไม่รักไม่ชังกับลาบยศสารเสริญสุขถึงจะบรรลุธรรมได้คำถามจากคุณพวินอีกครั้งนะคะ จิตกราบเรียนพระอาจารย์ครับจิตอกุศลคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งๆ้ที่มีความเคารพรักพ่อแม่ครูอาจารย์จะแก้อย่างไรครับก็แก้ด้วยสติพอมันคิดไม่ดีก็เบรกมันเวลาขับรถมันจะออกนอกลู่นอกทางเราทําไงล้วก็เบรกมันนงแล้วหักพวงมาลัยอันนี้ก็เหมือนกันพอจิตมันจะคิดทางอากุศลเราก็หยุดมันเไงเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดเท่านั้นเอง คำถามจากคุณฟูกราบเรียนพระอาจารย์ถ้าเราทําบุญร้อยบาทแล้วนําลดจนภาษีได้สามบาทอย่างนี้เราจะได้บุญเท่าไหร่ครับเกิบเจ็ดไงแล้วคืนมาสามบาทครับคถามจากคุณสมเกียรติกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเทวดาและพรหมมีการเกิดแก่เจ็บตายไหมครับเขามีแบบเขามีแบบเสื่อมแบบ แบบกระทันหันทันทีเทวดาตกจากสวรรค์เทวดาไม่มีแก่ผมไม่มีผมก็ไม่มีแก่เพียงแต่เปลี่ยนสภาพจากสภาพที่สงบมาไม่สงบจากสภาพที่ไม่สงบแต่มีความสุขมาเป็นสภาพที่ไม่มีความสุขก็มาเกิดเป็นมนุษย์มันเปลี่ยนไปถ้าไม่มีร่างกายมันไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันมีแต่เสื่อมทางความรู้สึก ความรู้สึกมันจะเสื่อมความสุขที่ได้จากระดับนั้นมันก็จะเสื่อมหายไปแล้วก็จะเสื่อมลงมาสู่ความสุขแลที่ระดับต่ํากว่าแล้วก็จะมาเสื่อมมาจนกว่าจะมาได้ร่างกายถึงยังมีการแก่การเจ็บการตายคําถามจะาคุณอนุกูลไปทํางานแล้วโดนโดนเบี้ยวค่าแรงผมจะไปทวงหรือแจ้งความดีครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะได้เงินคืนก็ ต้องไปทวงถ้าทวงแล้วก็ไม่คืนก็อาจจะไปแจ้งความก็ต้องมีคดีความกันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันแต่ถ้าคิดว่าช่างมันโง่เรามันโง่ปล่อยให้เขาหลอกเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปไม่ไปทวงไม่ไปแจ้งความให้เขาไปอภยัยทานไปเราก็จะได้บุญได้ความสงบ ได้ความสุขที่เราไม่จองเวรจองกรรมเขาเราก็จะได้ทำแต่เราจะเสียเงินก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปทําบุญโดยถูกบังคับให้ทาแต่ก็ยินดีทาถ้าใช่้ามาคิดทีหลังว่ามันเป็นการทําบุญแทนที่เราจะเสียใจเราก็กลับมีความสุขใจขึ้นมาที่เราเสียสละเงินก้อนนี้ไปได้ไม่ไปทวงมาคำถามจะคุณปล่อยวางอดีต กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ลูกติดนิวรมีความลังเลสงสัยในตัวเองเจ้าค่ะเมื่อก่อนตอนที่ลูกชายยังไม่ได้ไปบวชสมณ น, นลูกก็มีแรงผลักดันในการทำมาหากินหาเลี้ยงชีพแต่ตอนนี้ลูกไปบวชแล้วแม่รู้สึกไม่มีความอยาก มีอยากเป็นเหมือนก่อนสามีก็บอกว่าให้เราอยู่บ้านทำงานบ้านมีเวลาในการปฏิบัติภาวนาไปอย่างนี้เท่ากับเราเอาเปรียบสามีไหมคะพระอาจารย์ต้องให้เขาทำงานหาเลี้ยงเราและลูกสาวคนเดียวเพราะแบบนี้เลยทำให้ลูกติดความคิดตรงนี้ทำให้การปฏิบัติไปต่อไม่ได้รู้สึกสับสนลังเลสงสัยว่าเป็นแบบนี้เราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวใหมเจ้าคะ คือการเห็นแก่ตัวนี้มีการเห็นแก่ตัวที่ที่ดีก็มีการเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีก็มีการเห็นแก่ตัวเพื่อการปฏิบัติทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวที่ดีเพราะไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเพียงแต่อาจจะอ่ผลักดันภาระที่เราเคยมีให้คนอื่นเขารับไป แต่ถ้าคนอื่นเขายินดีรับก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ยินดีรับก็เรื่องของภาระที่เขาจะต้องดูแลตัวเขาเองไปอันนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นความเห็นกับตัวที่เสียหายเป็นความเห็นกับตัวที่ดีเพราะจะได้ทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล น, นี้ก็ต้องปล่อยภาระหน้าที่ต่างๆไปใช่ไหม เวลาคุณต้องไปอยู่โรงพยาบาลคุณยังไไปเลี้ยงดูลูกได้หรือเปล่าช่วงนั้นก็ต้องถือว่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมนะเพราะคนเราไม่สามารถที่จะไปดูแลเขาได้เพราะเราต้องไปรักษาตัวเราใจเราก็เหมือนร่างกายที่มันยังทุกข์ที่มันต้องการการดูแลรักษาอยู่ถ้าเราต้องการให้มันหายเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ถือว่าเราไปโรงพยาบาลไปรักษาใจ งั้นถ้าคนรอบข้างเขาพร้อมเขาไม่เขาเขาไม่ว่าอะไรก็ไปเดี๋ยเขาว่าแต่ถ้าเราจะไปก็ไปได้เพราะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเราอยู่ก็ช่วยเขาไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไปเราช่วยเราได้ช่วยเสร็จแล้วเรากลับมาช่วยเขาได้ช่วยทางจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในวังก็จะช่วยใครไม่ได้ทางด้านจิตใจ แต่พอไปบวชแล้วหลังจากตัดสโลแล้วก็กลับมาช่วยคนในวังให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้เยอะแยะเห็ะนช่วยเห็นแก่ตัวแบบนี้ทำแบบนี้ไม่เป็นการเสียหายเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณสาวนุย ผู้ที่หลีกเลี่ยงที่จะช่วยเลี้ยงดูแม่หาเหตุผลมาอ้างต่างๆแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นหรือเอาไปทําบุญเช่นเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหรือทําบุญวิธีอื่นทําประโยชน์ทางสังคมทางอื่นสิ่งที่เขาทําแบบนี้เป็นบุญหรือบาปแค่ไหนเจ้าคะก็เป็นบุญเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกที่จะทําบุญกับพ่อกับแม่เขาท่านนี้เขาเลือกจะทําบุญจากที่อื่น ก็อาจจะเป็นการอาอกตันอยู่ก็ได้คือไม่มีความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดา คำถามจะคุณแพิบัติธรรมะในระหว่างการพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วเกิดความกินใจน้ำหูน้ำตาไหลตลอดก็เลยปล่อยให้มันไหลไปไม่สนใจเพียงตั้งใจให้เป็นกลางแล้วพิจารณาต่อไปอย่างนี้ทำถูกต้องไหมคะก็พิจารณาเพื่อให้ใจเราปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆถ้าหยุดความอยากต่างๆได้ก็ถูก ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยังไม่ถูกยังไม่สําเร็จต้องพิจารณาต่อไปจนกว่าจะหยุดความอยากต่างๆได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอยากกับสามีและเราต้องแบ่งทรัพย์สินตามกฎหมายเราควรจะเอาหรือไม่เอาดีเจ้าคะและถ้าเอาจะบาปไหมคะบาปตรงไหนล่ะถ้าเป็นของเราเป็นของเรามแล้วก็ ถ้าเราไม่เอาก็ได้บุญนะเธอว่าเราทําบุญไปสละให้เขาไปยกให้เขาไปให้หมดเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราเอาในส่วนที่เป็นของเราที่ที่เป็นสิทธิ์ของเราก็ไม่บาปแต่อย่างใดคําถามจะคุณพอใจเถอะพระอาจารย์ครับเวลาเราคิดไม่ดีคิดชั่วแต่เรามีสติรู้ทันแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่คิดจะบาปไหมครับไม่บาปแต่มันเป็นอุกุศละ มันทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเวลาคิดไม่ดีงั้นต้องหาวิธีอย่าให้มันคิดเลยวิธีก็ต้องหยุดความอยากเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากของเราจึงทําให้เราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นถ้าเราไม่มีความอยาเราก็จะไม่คิดร้ายต่อใครเราสุดท้ายคําถามสุดท้าย คำถามจะคุณจักรพงศ์จิตดวงแรกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับออจิตไม่มีดวงแรกอ่ะจิตมันเป็นจิตของมันมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีเกิดไม่มีดับมันจึงไม่มีดวงแรกดวงสุดท้ายดัะนั้นก็อย่าไปสนใจกับเรื่องเราเนะนี่ไม่เป็นประโยชน์ให้สนใจว่าจิตที่ทุกข์นี่ทําให้มันหายทุกข์ได้อย่างไรจะดีกว่าเอาละนะการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา